จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 1รตรงกับวันแรงแปดค่ำเดือนสี่เป็นวันพระวันธรรมัสวนณะวันฟังธรรม เป็นวันที่เรามาทำความเข้าใจทำความเห็นให้ถูกต้องให้มีความเห็นว่านารกมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงกรรมมีจริ ง, รงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีการเวียนว่ายตายเกิดมีการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรามี เป็นความจริงที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันตัดสัมมาสามพุทธเจ้าที่พวกเรามีความคารพบเรื่อมใสศรัทธาได้ทรงนำเอามาสั่งสอนให้แก่พวกเราหลังจากที่ได้ทรงตัดสัจโรเห็นด้วยพระ อ, องค์เองแล้วโดยไม่มีความสงสัยหลงเหลืออยู่เลย สำหรับพวกเราถ้ายังสงสัยอยู่เพราะเรายังไม่มีปัญญาไม่มีตาที่ผูทิบไม่มีตาในที่จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้สิ่งที่เราควรจะมีก็คือความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ขอให้เราคิดว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนตาดีพวกเราเปรียบเหมือนคนตาบอดย่อมไม่สามารถมองเห็นสิ่ ง, งต่างๆที่คนตาดีมองเห็นได้คนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีเป็นผู้นำทางถึงจะไปได้อย่างคล่คล่วปลอดภัยไปได้โดยสวัสดิภาพ ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่งานที่ประสฐได้ถ้าเราไม่มีศรัทธาแล้วเราก็จะต้องดำเนินไปทะไปตามลำพังของเราเหมือนกับคนตาบอดที่ต้องคลำทางไปเองไปก็มักจะไปไม่รอดกันไปไม่ถึงไหนเดี๋ยวก็ต้องไปเดินชนเสาชนต้นไม้ ไปตกหลุมตกบ่อไปถูกรถราชนตายได้ฉันใดถ้าพวกเราไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราดำเนินชีวิตของเราไปตามความเชื่อของเราเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำไปโดยไม่เกรงกลัววิบากกรรมที่จะตามมาเราก็จะต้อง ไปสู่ที่เราไม่ปรารถนากันเหมือนพวกที่ไปทำผิดกฎหมายไปลักทรัพย์ไปป้นไปที่ธนาคารไปฆ่าผู้อื่นแล้วในที่สุดก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปเข้าคุกเข้าตารางจับไปประหารชีวิตจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าลองได้ทำผิดกฎหมายแล้ว กฎหมายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องมาจับไปลงโทษอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าโชคดีอาจจะหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะจับตัวไม่ได้แต่เรื่องของกรรมเรื่องของบาปนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมันเป็นเรื่องที่เป็นไปโดยธรรมชาติ เป็นเหมือนเงาตามตัวไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเงาของเรามันจะตามเราไปฉนันใดบาปที่เราทำไว้วิบากกรรมก็จะเป็นผลที่จะตามไปไม่มีใครต้องไปตามจับเราไปลงโทษแต่วิบากกรรมนี้จะเป็นตัวที่จะส่งให้เราไปรับใช้กรรมต่อไปดังนั้นการเชื่อนั้นจะ มีประโยชน์ก่อการไม่เชื่อเพราะเมื่อเชื่อแล้วเราจะได้ดำเนินปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือถ้าเชื่อบุญก็ให้เราทำบุญให้มากๆถ้าเชื่อบาปก็ละบาปอย่าไปทำบาปแล้วต่อไปเราก็จะได้เห็นผลที่ปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเรา อย่างที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันในวันนี้ก็เพราะเราเคยทำความดีในอดีตเคยทำบุญมาในอดีตและละบาปรักษาศีลห้าได้บ้างถึงแม้จะไม่ตลอดก็พยายามรักษาไปเท่าที่จะรักษาไปได้โดยอนิสงค์ของการกระทำเหล่านี้ จึงส่งผลให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปถ้าเราอยากจะไปดีไปสู่ที่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเชื่อต้องฟังพระพุทธเจ้าฟังพระอาริยสงสาวกทั้งหลายเพราะท่านเหล่านี้ ได้ไปถึงที่ดีที่ประเสริฐที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วการอบรมสั่งสอนของท่านนั้นไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียวมีความเมตตาการุณามีความปรารถนาดีมีความสงสารที่เห็นพวกเรายังมืดบอดอยู่ยังคลำทางไป อยู่ยังต้องไปใช้เวรใช้กรรมยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์มาอบรมสั่งสอนทรงทมเพื่อให้เราได้รับประโยชน์อย่างจริงๆไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรจากพวกเราเลยพวกเราจรึงควรที่จะเชื่อ ได้อย่างสนิทใจไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอกเพราะเราไม่เสียอะไรเลยในการเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อพระอริยสงฆ์บาทเดียวก็ไม่ต้องเสียทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหรือพระอริยสงฆ์สาวกแสดงธรรมจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนจากการแสดงธรรมนั่นเลย ปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยตามศรัท ธ, ธาถ้าฟังแล้วเกิดศรัท ธ, ธาเกิดอยากจะทําบุญจะทําบุญถวายให้กับท่านท่านก็ไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดแต่ท่านก็ไม่ได้ดีอกดีใจหรือยินดีกับการที่ได้รับสิ่งต่างๆมาเพราะใจของท่านนั้นมันเต็มแล้วเป็นเหมือน้ําที่ล้นแก้วอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเติมน้ำเข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้น้ำในแก้วนั้นมีเพิ่มมากขึ้นไปได้เพราะมันจะต้องล้นไหลออกมาฉันใดสิ่งต่างๆลาบสักการะที่เราน้อมถวายให้กับพระพุทธเจ้ากด็ดีพระอริยสงสาวกด็ดีเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับตัวเราเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับตัวพระพุทธเจ้า หรือพระอริยสงสาวกเลยการที่เราได้ทําบุญแสดงความกตัญญูกตวเวทีแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายนี้เป็นการทําบุญให้กับตัวเราสร้างกุศลให้กับตัวเราเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา ดังนั้นในเบื้องต้นขอให้เราเชื่อในเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะไม่มีทางที่เราจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตัวเราเองถ้าเราไม่นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาปฏิบัติเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้จะเป็นเหตุที่จะเปิดตาในของเราให้สว่างขึ้นมาทำให้เรามี ธรรมจักสุกคือมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่มีทางอื่นวิธีที่จะเปิดตาในของเราเราต้องเชื่อและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราจึงต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความเข้มแข็งอดทนไม่ท้อแท้ต่อความยากลำบาก ในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุที่มันรู้สึกยากลำบากนั้นไม่ได้เป็นเพราะมันมันยากในตัวของมันเองมันยากเพราะเรามีสิ่งที่คอยต้านทานมันยากเพราะเราไม่เคยทำมาท่านั้นเองเหมือนกับเราถนัดมือขวาแล้วเราต้องไปใช้มือซ้ายเราไม่เคยใช้มือซ้ายมาก่อน พอเราต้องใช้มือซ้ายเราจะรู้สึกว่ามันยากมันลําบากเพราะเราไม่ถนัดเพราะเราไม่เคยทํามานั่นเองฉันใดการทําความดีการทําบุญทํากุศลการละบาป ก, การชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจสําหรับพวกเราก็จะรู้สึกยากลําบาก แต่มันก็ไม่สามารถที่จะทนต่อความขยันหมั่นเพียรความอดทนความกล้าหาญความเข้มแข็งของเราไปได้เพราะพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านสามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้ก็เพราะท่านมีความภาคเพียรมีความเข้มแข็งอดทนมีความกล้าหาญ จนทําให้ท่านสามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสะดวกอย่างสบายในเบื้องต้นจะรู้สึกยากลําบากแต่เมื่อเราทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะรู้สึกง่ายขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะรู้สึกว่าง่ายมากเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยไปเพียงแต่นิสัยที่เราฝึกฝนมานี่ มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีนั่นเองนิสัยของเราเป็นอย่างไรนิสัยหลของพวกเราก็คือไม่ชอบทำความดีกันไม่ชอบทำบุญไม่ชอบทำกุศลกันชอบทำบาปทำกรรมกันชอบโลภชอบโกรธชอบหลงกันเมื่อเป็นอย่างนี้พอเราต้องมาทำบุญทำความดีเราจึงรู้สึกยากลาบาก พอเราต้องรากบาปต้องรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดหรือศีลสอีก็จะรู้สึกยากลาบากจึงไม่ค่อยมีคนรักษาศีลกันเท่าไรมีคนทำผิดศีลกันมากมากกว่าคนที่รักษาศีลเพียงแค่เพียงแค่5ข้อนี้ก็รักษากันแทบจะไม่ไม่ได้เลยมีบ้างก็รักษาได้บางข้อในบางวัน แต่จะให้รักษาทั้งห้าข้อนี้ไปตลอดนี้รู้สึกว่ายากเย็นเหลือเกินทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าไม่มีใครมาสอนมาบอกให้เห็นคุณค่าของการรักษาศีลทั้งห้าข้อนี้เองถ้ามีใครบอกว่าศีลนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเราก็จะ มีกำลังใจที่จะรักษาศีลได้เพราะพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเท่านั้นที่เห็นว่าศีลนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆสมมุติว่าเราชาตินี้เราทำมาหากินแล้วไม่รักษาศีลหามาด้วยวิธีทุจริตไม่ชอบ หามาด้วยวิธีโกงต่างๆเราก็จะมีสมบัติเข้าของเงินทองมากแต่เมื่อเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะกลับมาเกิดใหม่เราก็เอาสมบัตินี้ไปฝังดินไว้แล้วคิดว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วจะได้มาเอาสมบัติที่ฝังดินนี้กลับมาใช้ต่อไปก็จะเป็นการคิดผิด เพราะในอนดีตนั้นมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่แล้วว่ามีเศรษฐีรายหนึ่งเขาทำมาหากินด้วยวิธีการต่างๆผิดศีลผิดธรรมเขาก็ยอมขอให้เขาได้เงินทองมาจนเขารวยเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากมายก่ายกองแต่เป็นคนที่ตนีที่เหนียวหวงเงินหวงทอง ไม่ยอมให้ใครเลยแม้กระทั่งลูกหลานก็ไม่ให้เอาไปฝังดินเก็บไว้หมดไม่มีใครรู้ว่าสมบัติของแกอยู่ที่ไหนพอแกตายไปด้วยควา ม, มคิดถึงสมบัติของตนก็ได้กลับมาเกิดอีกแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนนั่นเองเพราะอยากจะอยู่ใกล้สมบัติพระมีพระพุทธเจ้าที่ทรงเดิน บินตาบาผ่านมาเห็นสุนัขตัวนี้มีว่าเ ป, เป็นเจ้าของบ้านเก่าตายไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นสุนัขอีกจึงได้บอกลูกๆว่าสุนัขตัวนี้เป็นพ่อของพวกเธอนะเขากลับมาเกิดใหม่แต่เขาไม่ได้รักษาศีลเขาจึงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ได้กลับมาเกิดเป็นสุนัข เขารู้ว่าสมบัติต่างๆที่พ่อของเธอฝังไว้ในดินนั่นอยู่ที่ไหนเดี๋ยวหมาตัวนี้จะพาไปขุดให้เองแล้วไม่นานหมาตัวนี้ก็พาไปขุดสมบัติต่างๆที่พ่อของลูกนี้ได้ฝังเอาไว้จนทำให้ลูกๆทั้งหลายเชื่อในเรื่องการเวนไหว้ตายเกิดเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนี่คือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าสมบัติเงินทองนั้นไม่มีคุณค่าเท่ากับการรักษาศีลเพราะถ้าเราไม่รักษาศีลห้าเราจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือถ้าจะได้กลับเป็นมนุษย์ก็ต้องเอกนานต้องไปใช้บาปใช้เวรใช้กรรมในอบายเป็นเวลานานไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้าง กว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สมบัตินั้นก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วหายไปไหนแล้วหรือเราไปเกิดอีกมุมหนึ่งอกซีกหนึ่งของโลกก็จะไม่ได้พบกับสมบัติเหล่านั้นอีกแล้วแต่ถ้าเรารักษาศีลไว้ได้อย่างดีพอตายไปเราก็ได้ไปใช้บุญได้ไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างและเมื่อหมดบุญนั้นเราก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก และกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่ร่ำรวยกว่าเกา่าดีกว่าเกา่าถ้าเราทำบุญทาทานอยู่อย่างสม่ำเสมอรหรือทำอย่างมากมายแทนที่จะเอาสมบัติเข้าของเงินทองฝังดินไว้เอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญจะดีกว่าเพราะธนาคารบุญนี้จะติดกับเราไปพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะ ที่ร่ำรวยได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีได้ได้เกิดเป็นลูกของมหากษัตย์อย่างนี้ <c oughs> เช่นพระพุทธเจ้าของเราที่ทรงบำเพ็ญทานอย่างเต็มที่ในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรมีอะไรก็บริจาคหมดใครอยากจะได้อะไรขอมาก็ให้ไปหมดไม่หวงไม่เสียดายอะไรเลยพอตายไปก็ได้ไป เกิดในสวรรค์เมื่อหมดบุญบนสวรรค์ก็กลับลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้มาเป็นลูกชายของพระกะพระมหากษัตริย์และได้ออกบวชได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะการกระทำความดีในแต่ละภพในแต่ละชาติเพราะการละบาในแต่ละภพในแต่ละชาติ เพราะการกําจัดชํารละความโลภความโกรธความหลงในแต่ละภพในแต่ละชาตินั่นเองที่ค่อยๆส่งเสริมสนับสนุนให้มีกําลังแห่งธรรมะที่จะปฏิบัติจนถึงขั้นสูงสุดได้ก็จากการบําいいเพ็ญบุญบารมีในแต่ละภพในแต่ละชาติ อย่างที่พวกเราได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีเพื่อสุขติเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไปเราอย่าไปเสียดายกับความสุขเล็กๆน้อ ย, อยๆที่เกิดจากการได้ไปกินได้ไปดื่มได้ไปเที่ยวความสุขจากการได้ใช้เงินใช้ทองซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรและไม่ส่งให้เราได้ไปสู่สุขคติไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะเมื่อเราใช้เงินมากๆแล้วเราก็จะมีความกดดันที่จะต้องหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะพลาดไปทำบาปทำกรรมได้เมื่อทำ บ, บาปทำกรรมแล้วก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อไป แต่ถ้าเรามีเงินมีทองแล้วเรารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เท่าที่จำเป็นใช้เอาไปทำบุญทำทานเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเราจะมีเงินทองเหลือใช้เพราะใจของเราจะไม่ใช้แบบเลยเถิดมีขอบมีเขตมีประมาณเพราะเมื่อใช้อย่างนี้แล้ว จะทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มเอิบใจเช่นเวลาเราได้ทำบุญให้ทานเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจจะทำให้เราไม่หิวกับการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางอบายามุขต่างๆก็จะทำให้ไม่สิ้นเปลืองเงินมากเราสามารถอยู่บ้านเฉยๆได้อยู่บ้านฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะ ใหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมได้อย่างนี้ไม่เสียหายไม่เสียเงินเสียทองไม่ไม่กดดันให้เราต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมต้องไปหาเงินมาโดยวิธีมิชอบชุดจริตเป็นต้นเนี่ยจะไม่มีสำหรับคนที่รู้จักใช้เงินคือใช้ดูแลรักษาอัตภาพชีวิตร่างกายของตนอย่างสมถะเรียบง่ายรู้จักประมาณ มักน้อยสัมโดดแล้วมีเหลือก็นำเอาไปทำบุญให้ทานสงเคราะห์ผู้อื่นทำให้จิตใจของเรามีความเย็นมีความสุขมีความอิ่มทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาเงินหาทองโดยวิธีที่ไม่ชอบเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะมีแต่สะสมบุญสะสมบารมีไปเรื่อยเมื่อตายไปก็ได้ไปใช้บุญได้รับไป ไปใช้บุญในสวรรคนะ์เมื่อหมดบุญก็กลับลงมาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปจนได้ไปถึงพระนิพพานในที่สุดเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็หมดหน้าที่ไม่ต่อพ่อเราไม่ไปไหนอีกแล้วเราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ใบสร้างบุญสร้างบารมีอีกต่อไป พอใจของเรานี้จะมีบุญบารมีเต็มปียมอยู่ตลอดเวลาให้ความสุขกับใจิตใจของเราตลอดเวลาไม่มีความหิวความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายตามมาความเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากความอยากถ้ายังอยากในสิ่งต่างๆอยู่ยังอยากมีอยากเป็นยังอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยู่ ก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่แต่ถ้าได้ทำความดีจนถึงพร้อมแล้วได้ละบาปทั้งปวงจนหมดสิ้นแล้วได้ชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีความอยากเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปเพราะใจมีแต่ความอิ่ม ความอยากกับความอิ donc, ่มนี่ไปด้วยกันไม่ได้เวลาอิ่มมันจะไม่อยากเวลาอยากมันจะไม่อิ่มเหมือนกับกลางวันกับกลางคืนอยู่ด้วยกันไม่ได้พร้อมกันถ้าเป็นกลางวันก็ไม่ไม่มีกลางคืนถ้าเป็นกลางคืนก็ไม่มีกลางวันเหมือนมืดกับแจ้งถ้ามืดมันก็ไม่แจ้งถ้าแจ้งมันก็ไม่มืด ฉั้นใดถ้ามีความอิ่มใจก็จะไม่มีความหิวความอยากต่างๆถ้ายังมีความหิวความอยากอยู่ก็จะไม่มีความอิ่มใจวิธีที่จะทาให้อิ่มใจก็คือต้องไม่ทำตามความหิวตามความอยากเพราะทาเวลาเราทำตามความอยากแล้วแทนที่ความอยากจะหมดไปหายไปกลับทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปอีก ลองสูบบุหรี่ดูสักมวนหนึ่งดูสิสูบมวนแรกแล้วเดี๋ยวก็อยากจะสูบมวนที่สองพอสูบมวนที่สองแล้วก็มีมวนที่สมวนที่สตามมาความอยากจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เขาพูดว่าได้ได้คือก็อยากจะได้เป็นศอกได้ศอกก็อยากจะได้เป็นวาเป็นอย่างนี้เรื่องของความอยากวิธีที่จะทําใจให้อิ่มนั้นต้องไม่ทําตามความอยาก ต้องต่อสู้ต้องฝืนความอยากด้วยการทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆมีเงินก็หนึ่งอยากจะไปกินเหล้าเมายาอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินนี้ไปทำบุญเสียอย่าไปเที่ยวอย่าเอาไปใช้กับการเที่ยวการกินการดื่มหรือกับการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆทุกครั้งมีความอยากมีเงินแล้วมีความอยากจะเอาไปใช้ไปกินไปดื่มก็เอาไปทำบุญเสีย ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังที่พระเวสสันดรได้ทำมาการที่พระเวสสันดรสามารถเสียสละทำบุญให้ทานได้อย่างมากมายกายกองเพราะใจของท่านมีความสุขจากการกระทำนั่นเองพวกเรายังไม่เคยทำถึงขนาดนั้นเราจึงไม่เห็นความสุขความอิ่มใจที่จะปรากฏขึ้นมาในใจของเรา วาเรายังถูกความตนีถูกความหวงคอยหลอกคอยล่อให้เรารู้สึกเสียดายไม่อยากจะทำบุญให้ทานกลัวจะอดอยากขาดแคลนกลัวจะลำบากลําบนถ้าอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีทางที่จะได้พบกับความสุขความอิ่มเอิบใจที่เกิดจากการทำบุญให้ทานเลยเราต้องกล้าต้องยึดพระเวสสันดรเป็นตัวอย่างยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง ทำไปแล้วเราจะพบกับความสุขพบกับความอิ่มที่แท้จริงถ้าเราไม่ทำเราก็จะถูกถูกความหลงถูกความโลภถูกความตำหนีถูกความหวงแหนหลอกล่อไม่ให้เราทำบุญให้เราเสียดายเงินเสียดายทองเพราะกลัวจะอดอยากขาดแคนแล้วพอจริงๆแล้วตายไปก็ทิ้งสมบัติให้คนอื่นเข้าไปโดยที่ตนเองไม่ได้รับประโยชน์เลย สมบัติต่างๆถ้าเราไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในพอเราตายไปแล้วสมบัติเหล่านั้นจะไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยจะไม่สมบุญไม่เป็นบุญเป็นกุศลกับเราเลยบุญเงินทองนี่จะเป็นบุญเป็นกุศลก็ต่อเมื่อเรานําเอามาทําบุญในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่เท่านั้นเมื่อเราทําแล้วมันก็จะฝังอยู่ในจิตใจของเรา ติดอยู่ในธนาคารบุญส่งให้เราได้ไปเกิดที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญยิ่งกว่าเดิมกัรมาเกิดคราวหน้าก็จะร่ำรวยมากกว่าเดิมเหมือนกับชาวนาชาวไร่หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เก็บเมล็ดข้าวไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพัน์เพื่อที่จะปลูกในในปีต่อไปถ้าไม่เก็บไว้เลยเอาไปขายกินหมดปีหน้าก็จะไม่มี พันเมล็ดพันุ์ปลูกข้าวก็จะไม่มีเมล็ดข้าวออกโรงให้กินต่อไปฉันใดการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และมีความอยู่อย่างสุขสบายก็เพราะเราเคยได้ทําบุญมาในอดีตนั่นเองแล้วถ้าเราอยากจะกลับมาเกิดใหม่และมีบุญมีความสุขมีมีเงินมีทองมากกว่าเกา่าเราก็ต้องทําบุญต่อไปอย่าไปเสียดายเงินในเรื่องของการทําบุญ ไม่ไม่ขาดทุนรับรองได้เพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่าไม่ขาดทุนเป็นพระเวสสันดรเสียสละให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปด้านในที่สุดก็ส่งผลให้ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะให้ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งที่เรากราบไหว้บูชาก่อนจะถึง ท, ทุกวันนี้ก็เกิดจากการบำเพ็ญทานบารมีเกิดจากการบำเพ็ญ วิริยะบารมีเกิดจากการบำเพ็ญขันติบารมีเป็นต้นเนี่ยนี่คือบารมีหรือบุญกุศลที่เราควรที่จะหมั่นบำเพ็ญกันอย่างสม่ำเสมอให้ทานให้มีความขยันหมั่นเพียรในการทำความดีละบาปชำระความโลภความโกรธความหลงให้มีความเข้มแข็งอดทนกล้าหาญไม่ต้องกลัว ยากความทุกข์ยากลาบากที่จะเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้พบกับสิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษแม้กระทั่งในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ก็จะมีความสุขถึงแม้จะไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองแต่จิตใจจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีสมบัติเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ที่จิตใจมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจิตใจไม่ต้องการเงินต้องการทองจิตใจต้องการบุญต้องการกุศลต้องการความดีจึงขอให้เราจงเข้าใจหลักนี้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้